พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่สิบเก้าเทวทาวิตักกสูตรสูตรว่าด้วยความตรึกสองทางพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามตรัสสอนภิกษุทั้งหลายถึงความนึกคิดที่เกิดขึ้นในสมัยที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์อย่างไม่ได้ตรัสรู้ทรงแบ่งความคิดนึกคือวิตกความตรึก ออกเป็นสองส่วนคือฝ่ายชั่วได้แก่คิดนึกในกามคิดนึกปองร้ายคิดนึกเบียดเบียนฝ่ายดีได้แก่คิดออกจากกามคิดนึกไม่ปองร้ายคิดนึกไม่เบียดเบียนเมื่อความคิดนึกฝ่ายชั่วเกิดขึ้นและทรงรู้เท่าทันก็ตั้งอยู่ไม่ได้พระองค์จึงทรงละทรงบรรเทาทรงทำให้สิ้นสุด ซึ่งความคิดนึกฝ่ายชั่วได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุตรึกตรองถึงเรื่องใดมากจิตก็จะน้อมไปทางนั้นทั้งทางคิดชั่วและคิดดีพระองค์ทรงเห็นโทษของอากุศลธรรมเห็นอานิสงค์คือผลดีของกุศลธรรมเมื่อทรงทราบว่าความคิดฝ่ายดีกำลังเกิดขึ้นก็ไม่ทรงเห็นภัยจากการคิดนั้น ไม่ว่าในกลางคืนกลางวันหรือทั้งกลางคืนกลางวันแต่ถ้าตรึกตรองคือวิตกและวิจารนานเกินไปกายลำบากจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็จะห่างจากสมาธิพระองค์จึงทรงตั้งจิตไว้ภายในทำให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งทำให้เป็นสมาธิทรงเปรียบการเห็นโทษของความชั่วเห็นคุณของความดี เหมือนคนเลี้ยงโคที่ต้อนโคไปให้พ้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยข้าวกล้าเพราะเห็นโทษซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อโคไปกินข้าวกล้าของคนอื่นทรงเปรียบการทำสติถึงธรรมะเหล่านั้นเหมือนคนเลี้ยงโคที่พักณนะโคนไม้หรือกลางแจ้งทำสติถึงโคเหล่านั้นตรัสต่อไปถึงการที่ทรงมีความเพียร ตั้งสติมั่นมีกายสงบระงับมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งเข้าฌานที่หนึ่งจนถึงฌานที่สี่ระลึกชาติได้ในยามแรกได้จุตูปปตาตญาณคือญาณเห็นความตายความเกิดของสัตว์หรือทิพยะจักสุคือตาทิพในยามกลางได้อาสวะขยะญาณคือญาณอันทรรมอาสวะให้สิน้นรู้อริยสัจ ส, สี่ตามเป็นจริง รู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะตามเป็นจริงในยามสุดท้ายแห่งราตรีทรงเปรียบมารเหมือนผู้คิดร้ายปิดทางดีเปิดทางไม่ดีให้หมู่เนื้อไปสู่ความพินาศและเปรียบพระตถาคตเหมือนผู้มุ่งดีที่ปิดทางร้ายเปิดทางดี ให้เนื้อเดินทางไปสู่ความเจริญแล้วตรัสว่าได้ทรงทำหน้าที่ของศาสดาแล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างจงเพ่งเถิดอย่าประมาทอย่าเดือดร้อนภายหลังเลยนี้แหละคือคำสอนของเรา